หลังสมนมลเช้าเย็นเราก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาให้สัพสัตวให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขอย่าได้มีเวรต่อกันแลกกันอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนกันอันนี้เป็นการตั้งจิตนะที่ประเสริฐมากเป็นการส่งความปรารถนาดีให้กับสัพสัตว เพราะว่าการเบียดเบียนกันนะย่อมนำมาซึ่งความทุกข์แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือว่านอกจากเราจะตั้งจิตปรารถนาะดีต่อสรรัตว์สัตว์แลวไ ม, ม่ปรารถนาที่จะเบียดเบียนสัตว์อื่นแล้วเนี่ยก็ต้องตั้งจิตปรารถนาที่จะ ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยคนส่วนใหญ่เนี่ยเบียดเบียนตัวเองโดยไม่รู้ตัวหรือผู้ยังภาษาสมัยใหม่คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเป็นมิกัาตัวเองเท่าไหร่พราะไม่เป็นมิกัาตัวเองเนี่ยก็จึงเบียดเบียนแล้วพอเหตุว่าเบียดเบียนนั่นแหละก็เลยกลายเป็นไม่เป็นมิกัาตัวเองทั้งนั้นที่เรา ก็มักจะบอกว่าเรารักตัวเองเรารักตัวเองแต่สุดท้ายนะก็ลงเอยด้วยการเบียดเบียนตัวเองไม่เป็นมิตรกับตัวเองตัวเรามันก็มีสองอย่างนะัคือกายกับใจปกติแล้งเนี่ยกายก็ไม่ค่อยเบียดเบียนตัวเราเท่าไหร่เวลาเรากินอะไรที่มันเป็นของเสียบูดเน่าหรือว่าเป็นสารพิษ ร่างกายก็พยายามขับถ่ายของเสียออกไปนะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยหรือว่ามีความสุขมีภาระม้ำดีร่างกายเนี่ยช่วยเรามากทีเดียวนะทำให้เราสามารถที่จะอยู่เป็นปกติสุขได้แต่ใจเราบางทีมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะบางทีใจก็สร้างปัญหาให้กับเรา พยาอารมณ์หรือว่าอารมณ์ต่างๆที่เป็นพิษความทรงจำที่เจ็บปวดใจเรานี่แหละแล้วก็ชอบเก็บสะสมไว้แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นพิษเป็นภัยต่อเราจนกินไม่ได้นอนไม่หลับกาที่ร่างกายเนี่ยนะ ถ้ามีพิษอะไรเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็พยายามถ่ายออกไปให้มากที่สุดทางอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างหรือไม่ก็อาจเจียนออกมาในสิ่งนี้ช่วยทำให้เราปลอดภัยแต่ว่าใจมันไม่อย่างนั้นเลยนะสังเกตว่าความทรงจำที่เจ็บปวดหรือว่า ความอารมณ์โกรธแค้นเจ้าโศเพราะว่ามีใครบางคนทำไม่ดีกับเราหรือว่าเราเกิดทำความผิดพลาดขึ้นมาไอ้พวกนี้มันเป็นพิษต่อจิตใจต่อตัอตวเรานะมันเป็นขยะนะซึ่งสมควรที่นะจิตใจจะถ่ายเทออกไป เพื่อให้เราจะมีความสุขใจใจก็กเก็บสะสมเอาไว้แล้วก็หวนคิดหวนคำหนึง่งบางทีก็ปรุงแต่งมโนไปต่างๆนานาอย่างหลายคนมาประป่าสุโกโตเป็นครั้งแรกอาจจะไม่เคยนอนในบรรยากาศแบบนี้บางคนเนี่ยนอนคนเดียวในกุติพอตกค่ำเนี่ย ใจมันก็จะเริ่มหาเรื่องแล้วจะปรุงแต่งไปถึงผีสางนางไม้ดินเสียงกูกกากอะไรมันก็ปรุงแต่งว่าเป็นเสียงงูหรือว่าเป็นเสียงสัตว์ลายหรือเปล่าบางทีก็มโนไปว่ามีเสียงคนเดินอยู่รอบกุฏิตนหวาดผวาอันนี้ก็เป็นพิษภัยอีกอย่างหนึ่งนะ ที่ใจมันก่อขึ้นทำให้เราเป็นทุกข์ไม่อยากคิดมันก็ยังคิดบางเรื่องยังไม่เกิดก็ปรุงแต่งไปว่าจะเกิดปัญหาอย่างง้นอย่างนี้จนเกิดความกังวลเกิดความเครียดความกระสับกระส่ายตัวบางทีเป็นโรคประสาทาก็มี คนที่เป็นโรคซึมเศร้าซึ่งทุกวันนี้มีเป็นจำนวนมากเนี่ยก็เพราะว่าใจมันไม่ไม่เป็นมิตรกับเราใจมันจะคิดแต่เรื่องร้ายๆจมอยู่กับความสูญเสียความเศร้าความเจ็บปวดความผิดพลาดทั้งๆ ท, ที่สิ่งดีๆในชีวิตก็มีมากมายสิ่งงดงามก็มีรอบตัวแต่ใจมันก็จะหวนคิดหวว น, นึก นะย้ำนึกนะย้ำคิดแต่เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เจ็บปวดนะที่โกรธแค้นนะจนกันทั่งล้มปว่วยนะโรคซึมเศร้าแต่แล้วหลายคนก็หาทางออกไม่เจอวนไม่ไหวก็ทำลายตัวเองก็มีใจนี่มันไม่เป็นมิตรกับเราที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเรานะ ไม่เอาใจใส่ดูแลจิตใจหรือเพือ่อนคือว่าเราไม่เอาใจใส่หรือว่าเราไม่เป็นมิตรกับจิตใจของเราเมื่อเราไม่เป็นมิตรเราไม่เอาใจใส่จิตใจจิตใจนั้นเองก็หวนกลับมาทําร้ายเราเบียดเบียนในขณะที่เราแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์อย่าได้เบียดเบียนกันเลยหรือบางทีเราก็ตั้งจิตปรารถนาทิฐิฐานว่าขออย่าให้ใครมาเบียดเบียนเรา แต่เคยสงสัยหรือเคยสังเกตบ้างหรือเปล่านะว่าเราเบียดเบียนตัวเองวันแล้ววันเล่าใช่ตอบตลอดเวลาก็ว่าได้ <c oughs> บางครั้งเนี่ยร่างกายก็ดีแสนดีนะมันพยายามช่วยให้เรามีสุขภาพดีเชื้อโรคอะไรเข้าไป ในร่างกายมันก็จัดการกาจัดไม่ให้เหลือหลอหรือควบคุมไม่ให้อารวาดอย่างในร่างกายเราจะมีเชื้อโรคหลายชนิดทีเดียวนะแต่มันไม่ทำให้เราลมป่วยเพราะว่ามันถูกคุมถูกจำกัด บ, บริเวณในร่างกายเรา หลายคนก็มีเชื้อวัณโรคนะแต่ว่าไม่ล้มป่วยเพราะว่าร่างกายเรามันทำหน้าที่อย่างดีมากแม้จะกำจัดไม่ได้แต่ว่าก็สามารถจะควบคุมไม่ให้ก่อพิษภัยแต่ว่าบางครั้งเราก็เผลอทำร้ายร่างกายของเราด้วยการเอาของเสียเช่นบุหรี่บ้างละ เล่าบางละหรือไม่แต่สารเคมีที่มันปากปนกับอาหารทั้งนั่งที่รู้ว่ามันเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่เพียงเพราะามันทำให้อาหารอร่อยขึ้นหรือว่าน่ากินเราก็กินมันเข้าไปอันนี้คือการทำร้ายร่างกายแบบผ่อนสงและบางคนก็ ใช้ร่างกายแบบไม่สมบุกไม่บรรยปัญญะมีโยมคนหนึ่งนะก็จัดว่าเป็นเศรษฐีนี่เดียวอายุ7จสิบกว่าทำงานทำธุรกิจก็เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยชีวิตนี่ก็เรียกว่าราบรื่นน่าอิจฉาลูกห้าคนก็ มี่อาชีพกันงานที่มั่งมั่นคงสองคนเป็นหมอที่เหลือก็เป็ น, นธุรกิจฐานะดีไม่เจ็บไม่ป่วยหลานก็ดีแต่ว่าเธอก็ยังคลั่เคร่งกับงานแทมไม่ได้พักผ่อนจนกระทั่งวันหนึ่งก็เป็น โรคพาร์กินสันพาร์กินสันเนี่ยนะมันเป็นโรคที่รักษาหายได้ยากนะมือสัน่นพูดก็ไม่ค่อยชัดเพราะมันเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อการส่งสัญญาณควบคุมกล้ามเนื้อเนี่ยมันเสียไปเดินก็ไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นเธอก็มีความทุกข์มากวัหนหนึ่งก็นั่งรถเข็นม า, าตำ ม, มาแล้วมาคุยแล้วก็ตัดพ่อว่าเธอทําผิดอะไรนะ จึงต้องมาเจอแบบนี้ก็คือต้องมาล้มป่วยในโรควาล์กินสันในใจก็คงจะคิดว่าเนี่ยเราคงทำกรรมไม่ดีในชาติที่แล้วอาตมาตอบโยมที่ไปว่าเนี่ยโยมทำผิดแน่นอนผิดที่ไม่เชื่อฟังร่างกายร่างกายโยมเนี่ยมันส่งสัญญาณเตือนมาหลายครั้งแล้วว่าฉันเหนื่อยเหลือเกิน พ, กพักสักพักสักหน่อย สันอากพักนั้นแต่โยมแกก็ไม่ฟังเสียงสัสญญาณเตือนของร่างกายก็ยังใช้ร่างกายแบบสมบุกสมบันทั้งที่เงินก็มีมากมายลูกหลานก็ไม่ใครเดือดร้อนก็ไม่รวยเป็นเพราะว่าอยากรวยมากขึ้นอยากรวยนะรวยขึ้นรวยขึ้นหรือเปล่าถามว่าก่อนเป็นผักกินใส่แกเคยป่วยไหมแกบอกเคยป่วยแต่ก็ป่วยไม่มาก นั่นแหละคือสัญญาณเตือนของร่างกายว่าฉันอยากพักแต่โยมก็ไม่ฟังเสียงร่างกายเตือนยังไงก็ไม่ใส่ใจสุดท้ายก็เลยเป็นพากินสันแต่นี่ยังดีนะต่อไปเนี่ยจะเจอหนักกว่านี้ถ้ายังไม่หยุดยั้งทั้ทีพากินสันนี่ก็เป็นโรค ก, ก็เป็นสัญญาณเตือนนะว่าร่างกายมันไม่ไหวแล้ว ถ้าไม่หยุดเนี่ยจะเจอหนักกว่านี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่เขาเบียดเบียนตัวเองนะเบียดเบียนร่างกายตัวเองร่างกายอยากพักเพราะว่าถูกใช้งานมายาวนานแล้วก็อย่างหนักหนาแต่พอเราไม่ไม่ใส่ใจกับร่างกายไม่ฟังเสียงสัญญาณเตือนของร่างกาย ร่างกายเลยกลับมาเป็นโทษกับเรานะกลับมาเป็นภัยต่อเราจิตใจก็เหมือนกันนะทุวนี้เนี่ยจิตใจจะว่ามันทําร้ายนะสร้างความทุกข์ให้กับเราก็ว่าได้ไอ้เรื่องที่ไม่ควรไม่ควรทุกข์ก็ทุกข์ไอ้เรื่องที่ไม่ควรกังวลก็กังวลแล้วก็ มัวแต่คิดมัวแต่นึกมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับเหตุการณ์และเรื่องราวที่ทำให้เจ็บปวดทำให้ทุกข์นกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีก็สติแตกนะจิตมันก็สั่งให้เราดา่ดาด่าผู้ปการีด่าคนรักด่าลูกหรือว่าสั่งให้เราทำลายข้าวของ จิตนี่มันกลายเป็นอันตรายต่อเราหลายคนก็รู้นะว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นโทษมากไม่รู้จะทำยังไงนะกับจิตนี้ก็เลยตัดปัญหานะฆ่าตัวตายซะเลยนะได้จบแต่ที่จริงไม่จบนะปัญหาอย่งยาวยืดต่อไปอีทาไมจิตนี่มันกลับมาเป็นศัตรูกับเรา ก็เพราะเราเนี่ยนะไม่ใส่ใจเขาเราไม่เป็นมิตรกับเขาเท่าที่ควรเราไม่ดูแลเขาหรือบางทีเราก็ซ้ํำเติมเขาด้วยคนเราทําร้ายร่างกายด้วยการเสพการบริโภคสิ่งที่เป็นพิษเช่นเหล้าบุหรี่ยาเสพติดฉันใดเราก็ทําร้ายจิตใจของเรา ด้วยการเปิดรับหรือเสพอารมณ์ที่มันเป็นลบกระตุ้นทาให้กระตุนะต้นให้เกิดโลภะทำให้เกิดโทสะอย่างเช่นการที่เราวันทั้งวันเนี่ยเอาแต่ดูเล่นเกมซึ่งมันกระตุ้นทำให้เกิดโทสะทำให้เกิดความพยาบาท ทำให้เกิดความโกรธแค้นหรือว่าดูโทรทัศน์สนทนากันแต่ในเรื่องที่มันกระตุ้นทำให้เกิดความโกรธความเกลียดความหวาดระแวงโดยเพราะการเสพข้อมูลทาง Facebook ทาง l ลน e เราก็เติมสิ่งที่เป็นพิษให้กับจิตใจจิตใจมันเลยกลับมาเป็นพิษนะกับตัวเราก็กลายเป็นว่า สุด ท, ท้ายเราก็ไม่เป็นมิกับตัวเองเบียดเบียนตัวเองผู้เจ้ายังเคยจัดนะว่าคนพ่านปัญญาสามเนี่ยย่อมทํากับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูเขาไงก็หมายความว่าเบียดเบียนตัวเองทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองกันด้วยหลายวิธีนะนอกจากที่พูดมาแล้วเนี่ยก็คือการผิดศีลทําบาป สำบาับทำกรรมเพื่อประโยชน์เฉพาะหน้าเพื่อความสุขชั่วคราวเพื่อเงินทองเพื่อชื่อเสียงเพื่อตำแหน่งแต่แล้วเนี่ยมันก็เกิดวิบากเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจตามมาอันนี้เรียกว่าทำร้ายตัวเองเหมือนเป็นศัตรู แต่ถึงแม้เราจะไม่ทำเช่นนั้นมีศีลแต่เราก็อาจจะทำร้ายตัวเองนะด้วยการที่ไม่ดูแลจิตใจตัวเองไม่ใส่ใจที่จะปกปักรักษาจิตใจใจเนี่ยมันกลับมาแว้งกัดหรือทำร้ายตัวเราเองได้เนี่ยเพราะว่ามันถูกอารมณ์ครอบ ง, งำนะอารมณ์โกรธเกลียดนะกลัว เศร้าพยาบาทรู้สึกผิดใจเนี่ยนะเขาก็อยากดีกับเรานะแต่พอถูกอารมณ์พวกนี้ครอมงำแล้วก็เพีย้ยนงั้นก็เลยสร้างปัญหาให้กับตัวเราทำให้กินไม่ได้เนาไม่หลับทำให้เป็นโรคประสาทขึ้นมาถ้าเราให้เวลากับจิตใจของเรามากกว่านี้นะดูแลใส่ใจ ไม่ให้อารมณ์อกุศลเข้ามาครอบงำเนี่ยใจเนี่ยจะเป็นสิ่งประเสริฐมากแต่กลับกลายเป็นวิธีประเสริฐที่สุดของเราผู้เจ้าจัดว่าเนี่ยพ่อแม่ทำดีกับเราแค่ไหนมันก็สู้ใจนะที่ฝึกดีแล้วไม่ได้หมายความว่าใจที่ฝึกดีแล้วนะมันจะก่อ ประโยชน์สร้างอานิสงส์มากมายให้กับเราได้จนถึงกับพาให้เราพ้นทุกข์ก็ได้ในทางตรงข้ามเนี่ยถ้าใจฝึกฝนไว้ไม่ดีหรือวางใจผิดปล่อยปะละเลยมันก็สามารถก่อความพินาศ ท, ที่เลวร้ายยิ่งกว่าที่โจรกับโจรกระทำต่อกันหรือว่าศัตรูเนี่ยกระทำต่อกัน เราโจรนี่มันทําร้ายกันนี่ต่อสู้กันนี่กอบความเสียหายเยอะเลยนะแต่ก็ยังเสียหายไม่เท่ากับจิตที่ฝึกไว้ผิดหรือว่าจิตที่ไม่ไม่รับการดูแลเอาใจใส่อาการที่พวกเรามาที่นี่เนี่ยนะมันก็ถือว่าเป็นการพยายามที่จะมาทําให้ใจเนี่ยเป็นมิตรกับเราทําให้ ใจเนี่ยนะสามารถจะเกื้อกูลนําพาให้เรามีความสุขได้เพียงแค่ใจเนี่ยนะไม่เบียดเบียนเราหรือเพียงแค่เราไม่เบียดเบียนตัวเองเนี่ยนะความสุขมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยคนผู้คนมาคิดว่าที่ตัวมีความทุกข์อยู่เนี่ยเพราะว่าคนนั้นคนนี้เบียดเบียนเราเอาเปรียบเรา เขาไม่เข้าใจเราหรือว่าเขากั่นแกล้งเราใครทําอะไรกับเราเนี่ยนะมันยังไม่ร้ายนะเท่ากับที่เราทํากับตัวเองหรือผู้อยางคือว่าการที่เราปล่อยให้อกุณศน์ต่างๆเข้ม า, ขมามาครอบงาใจของเราอันนี้ลองพิจารณาดูนะ ใครก็ทำอะไรเราเนี่ยนมันไม่ทำให้เราทุกข์มากเท่ากับการที่เราทำตัวเองหรือการที่เราปล่อยให้อารมณ์อกุศลเข้ามาครอบงำที่ประเทศทิเบตเนี่ยเมื่อสักห้าสิบหกบปีก่อนเนี่ยทาหารจีนก็เข้าไปดิกครองทิเบตมีพระหลายรูปถูกจับ รวมทั้งแม่ชีด้วยเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์คือท่านยังสอนพุทธศาสนาอยู่นะซึ่งคอมมิวนิสต์ก็ถือว่าศาสนาเป็นยาเสพติดนะก็ต้องําจัดออกไปภาคที่ไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลคอมมิวนิสต์ก็ถูกจับ มีพระคือเบสท่านหนึ่งท่านถูกจำเนี่ยเป็นเวลานานถูกคุมขังเป็นเวลานานถึยี่สิบปีแล้วก็ระหว่างนั้นก็ถูกทรมานด้วยพอครบยี่สิบปีท่านก็ได้รับการปล่อยตัวท่านก็อพยพลี้ภัยไปอยู่อินเดียคงจะประมาณแถวธรรมศาสรลายนี่ยารมาสนี่พอได้ทราบข่าวก็ไปเยี่ยมท่านเพราะนเป็นพระผู้ใหญ่ ระดับลิปโป่ท่นานธรระก็ไปสนอนษาท่านหลายประการแล้วก็มีคําถามท่านก็ถามพระลิปโชท่านนี้ว่าตอนที่ท่านถูถกจับกลุ่มเนี่ยนะคุมขังเนี่ยท่านกลัวอะไรมากที่สุดแทนที่ท่านจะตอบว่าท่านกลัวการทรมานกลัวถูกตอกเล็กตอกขมับ ท่านบอกว่าท่านกลัวว่าจะไปโกรธไปเกลียดเขาท่านกลัวว่าท่านจะโกรธเกลียดคนที่ทรมานท่านทำไมเป็นเช่นนั้นนะเพราะท่านคงมองว่าถ้าไปโกรธเกลียดเขาท่านก็อาจจะเผลอพูดร้ายทำร้ายหรือผิดศีลซึ่งเป็นบาปท่านกลัวบาปกลัวก่อวิบากมากกว่าที่จะถูกทาร้าย หมายความว่าเขาทําร้ายท่านเครื่องดีกว่าท่านไปทําร้ายเขาเพราะมันเป็นบาปซึ่งจะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนใจตามมาแต่สมาธิว่าเหตุผลอีกประการที่สําคัญคือท่านรู้ว่าทหารจีนเนี่ยก็ทําร้ายท่านได้แต่ร่างกายแต่ไม่สามารถจะทําร้ายจิตใจท่านได้ทําให้ร่างกายท่านเป็นทุกข์ได้แต่ว่าทําให้จิตใจท่านเป็นทุกข์ไม่ได้ แต่ไม่ได้กระตางที่ท่านปล่อยให้ความโกรธความเกลียดข้องกำจัยท่านกจ่จะไม่ได้เพียงแค่ทุกข์กายแต่ทุกข์ใจด้วยและท่านรู้ว่าทุกข์ใจเนี่ยมันน่ากลัวกว่าทุกข์กายอันนี้กนะ็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เบียดเบียนเราเนี่ยอาการทูกคนทื่เบียดเบียนเนี่ยมันยังไม่รา้ายเท่าการที่เราเบียดเบียนตัวเอง นั่นคือการปล่อยให้ความโกรธความเกลียดหรืรออ า, อารมณ์อกุศลครอบงาใจพอจะเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะมันทุกทรมานมากทุกกายก็ยังพอไหวแต่ถ้าปล่อยให้ทุกใจเมื่อไหร่นี่โอ้มันอยู่ไม่ได้มันมีภาสิตธิไทยที่คล้ายๆกันนะแต่ไม่ถึงขนาดนี้เราเคยคุ้นเคยได้ย่นนะครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยาก ครับที่อยู่ได้หัายพราะว่าที่มันจะคับแคบเป็นไงนะแต่ว่าถ้าใจอิสระปลอดโปร่งเนี่ยมันก็อยู่ได้แต่ถึงแม้จะอยู่ในบ้านที่โอโทงกว้างขวา ง, วางคฤหาสแต่ใจเนี่ยมันคับแคบถูกบีบคั้นด้วยความทุกข์ด้วยความกรความเกลียดเนี่ยมันสุดแสนจะทนทานคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ใช่เพราะาเขาคับที่นะเขาอยู่บ้านที่ใหญ่โต ก็มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่มันขับใจนะเพราะว่าใจเนี่ยมันเรียกว่าคับแค้นมันคิดแต่เรื่องที่เป็นลบนคอยสร้างคอยพาให้หัวนึกแต่เรื่องที่เลวร้ายน่ากลัวกระดิกุ้มบีบคั้นก็เลย ต้องทําร้ายตัวเองคนที่คับที่จะเขาให้ขาดตัวตายนิดน้อยนยแต่ที่เขาตายเพราะคับใจมากกว่าไอดี่ับใจเพราะอารมณ์อกุศลที่เข้ามาครอบงาแต่สุดท้ายใจมันก็สั่งให้เราทําร้ายตัวเองเราถึงแม้จะไม่ถึงขันนะ้นฆ่าตัวตายแต่ว่ามันก็ทำให้เรากรินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เราเจ็บป่วยเพราะความเครียดที่ยืดเยื้อเรื้อรัง พราะความโกรธที่หมักหมมบางคนโกรธจนกระทั่งเซเลยในสมองแตกมันโกรธปรี๊ดขึ้นมากรณีแบบนี้โทษใครไม่ได้นะบางท้องโทษโทษใจนะที่ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางหรือใจที่ไม่รู้จักให้อภัยแต่ผู้คนก็มองไม่เห็นตรงนี้นะก็จะมองมันจะมองว่าเราทุกข์เพราะคนอื่นเพราะคนอื่นเบียดเบียนเรากานแกล้งเรา เป็นศัตรูกับเราแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะมันเป็นเพร่อเราเนี่ยเป็นศัตรูกับตัวเองไม่เป็นมิจฉาตัวเอง้าการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันเป็นโอกาสมันเป็นวิธีการนะที่จะช่วยทำให้เรากลับมาเป็นมิกับตัวเองง่ายขึ้นมันทำให้เรามีวิธีการหรือว่ามีตัวช่วย ในการรักษาใจไม่เปิดโอกาสให้ความโกรธความเกลียดนะความเศร้าอารมณ์กุศลเข้ามาครอบงำใจาการเจริญสติเนี่นะก็คือการที่เราจะมีตัวช่วยจะเป็นสิ่งที่คอยคุ้มครองรักษาใจเอาไว้ผู้จา้าจะเปรียบสติเหมือนกับเป็นทวารบาลหรือว่าทหารยาม ที่เฝ้าประตูเมืองจิตใจเราเหมือนกับนครนะเป็นเมืองที่วจิตจักนครเมืองทุกเมืองเนี่ยนะจุดอ่อนอยู่ที่ประตูส่วนอื่นเนี่ยมันถูกกำแพงล้อมรอบแต่ส่วนที่เป็นประตูเนี่ยนะก็คือเปิดโอกาสให้มีการเข้านอกออกในได้มันไม่ได้ปิดตายเหมือนกำแพงเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดอ่อนนั้นถ้ามีทวารบาลหรือทหารยามที่ดี ก็ช่วยป้องกันไม่ให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาทำร้ายก่อความวุ่นวายในนครแห่งดีได้ฉนั้นถ้าเราต้องการรักษาใจให้เป็นสุขนะหรือว่าทำให้ใจของเราเนี่ยนะมันไม่หลนกลับมาเป็นศัตรูกับเราเนี่ยต้องใส่ใจนะต้องดูแล การเจริญสติเนี่ยมันเป็นการที่ช่วยทำให้จิตของเรามีเครื่องคุ้มครองที่จริงนอกจากสติแล้วก็มีธรรมะอื่นๆที่ช่วยได้อีกหลายตัวซึงก็มีอยู่แล้วอยู่แล้ว ใ, ในใจเราเพียงแต่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือการภาวนาเนี่ยมันจะช่วยทาให้ดึงเอาสิ่งเราเนี่ยออกมาแล้วก็พัฒนาจนกรา่งสามารถจะช่วยให้ช่วยรักษาใจของเราเนี่ยให้ ให้งดงามให้ฉลาดแล้วก็เกื้อกูลไม่เปิดช่องให้มาเนี่ยเข้ามาเล่นงานได้ตอนที่เราสวดกวดน้ำเย็นเนี่ยนะถ้าเราสวดจนจบเนี่ยครบครบหมดเนี่ยมันจะมีตอนนี่บอกว่าเนี่ยขอหมู่มาอย่าได้ช่องด้วยเด็กปืนทั้งสิบป้อง อย่าเปิดโอกาสแกมานเทินมูมาเนี่ยจะไม่ได้ช่องหรือจะไม่ได้โอกาสเข้ามาเล่นงานจิตใจเราก็เพราะว่ามีธรรมะมีธรรมะหลายประ ก, การโดยเพราะสติและปัญญารวมทั้งขันตนิการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาื่วยปกปักรักษาจิตใจของเราและเมื่อเราทำแบบนี้เนี่ยเมื่อเราให้ความใส่ใจกับจิตใจแบบนี้ ใจเราก็จะค่อยๆแปลเปลี่ยนจากการเป็นศัตรูนะมากลายเป็นมิตรซึ่งสุดท้ายก็ทำให้เราเป็นมิตรกับตัวเองได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ใจที่จะจะสบายเป็นสุขนะกายก็เป็นสุขเพื่อเหมือนกันเพราะกายกับใจสัมพันธ์กันฉังนั้นในช่วงหนึ่งอาทิตย์จ่ายนี้ไปเนี่ยหลายคนที่เพิ่งมาวันนี้วันแรกก็ค่อยตั้งใจนะ ให้ทำความเพียรในการที่จะดูแลจิตใจรักษาแจไว้ดีแม้ว่าใจของเราเนี่ยอาจจะบ่นอุทธรวยวายโอดครวนเพราะว่าต้องมาเจอกับสภาพที่ไม่คุ้นเคยแต่นั่นก็เป็นธรรมดาเราก็ค่อยกล่อมกล่จิตใจไป จิตใจก็จะค่อยๆเชื่องแล้วก็ค่อยยอมรับแล้วก็พัฒนาขึ้นนะจนเป็นที่พึ่งของเราได้อย่าลืมนะที่พระุทธเจ้าตรัว่าเนี่ยจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วย่อมนําสุขมาให้ซึ่งถ้าพูดกับกันคือว่าจิตที่ไม่ฝึกเลยเนี่ยนะหรือฝึกไว้ผิดเนี่ยย่อมนําทุกข์มาให้เพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะต่อชีวิตของเรา คำามีดพูดกันเท่านี้นะับครับ